ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมได้นำเสนอประสูตรในสังยุตติกาสืบเนื่องกันมาโดยลำดับในวันนี้ก็จะพูดเรื่องสุภาษิตประพูดคือประสูรสที่ว่าด้วยค่อยคําที่เป็นสุภาษิต เป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นจากอัตยาศัยของพระพุทธเจ้าคือมีพระประสงค์จะส่งแสดงธรรมะเหล่านั้นแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุในแนวนี้จะเริ่มต้นด้วยการรับสั่งเรียกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุก็กราบทูลก็ต้องนองขานรับนั่นแหละ แต่ว่าท่านก็คงจะอยู่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆเมื่อผู้จะรับสั่งเรียกอย่างนั้นต่างลูกต่างกมา็มาเฝ้าเจ้าก็ทรงประรบเรื่องบ้างพิสุทั้งหลายวาจาที่ประกอบองค์สี่องค์สี่ก็คือสี่กรณีหรือสี่ประเด็น เราก็ตำนองคล้ายๆกับปิจิีสุจริตในกุศลกํามุดก็ประกอบด้วยองค์สี่คือมีข้อสำคัญอยู่สี่ข้อกระรับสั่งว่าวาจาที่ประกอบด้องค์สี่เนี่ยเป็นสุภาษิตเป็นวาจาที่พูดดีพูดเพราะพูดแล้วก็งาม ไม่ใช่วาจาที่เป็นทุะสิทธิ์คือไม่ใช่คำพูดที่ชั่วที่ยากที่พูดแล้วมีปัญหาเป็นวาจาไม่มีโทษแล้วก็เป็นวาจามีชุนวิญญูชนทั้งหลายไม่ตีเจียนก็ตรลงว่ามีสี่ลักษณะ ลักษณะที่ทรงยืนยันด้วยแล้วก็ปฏิเสธด้วยก็สรุปแล้วก็เป็นสนนี่ลักษณะกระเองเป็นสุภาษิตสองไม่เป็นทุพสิทิ์สามเป็นวาจาไม่มีโทษแล้วก็สี่เป็นวาจาที่บินยูชนยกย่องสรรเสริญบินยูชนนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีมาตรฐาน รูปสนาก็ใช้เกณฑ์ของวินยูชนมีการยกย่องก็ยอมรับมีการสัเสริอก็ยอมรับมีการทำหนีก็ยอมรับเพราะวินยูชนท่านไม่ได้ใช้อารมณ์ของท่านแต่ใช้หลักการในเหตุผลที่ถูกต้องเป็นเครื่องมือในการตัดสินวินิจฉัยจึงวาจางในลักษณะอย่างนั้น ที่นี่ประเภทของวาจาที่เรียกว่าเป็นสุภาษิตเป็นต้นดังกล่าวก็คือหนึ่งกล่าวแต่วาจาที่บุคคลกล่าวดีแล้วเท่านั้น เ, เช่นสวัสดิธรรมเนีเ่ยแปลว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว มีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีความบกพร่องนั้นโดยอัฐะคือโดยเนื้อหาและพยัญชนะคือภาษาที่ทรงใช้ในการสื่อสารที่จริงก็ทรงแสดงแก่ภิกษุกรับสั่งว่าภิกษุในธรรมีนในนี้ย่อมกล่าวแต่วาจาที่บุคคลกล่าวนี้แล้วเท่านั้น แต่ก็ไม่ควรลืมก็คือธรรมะเป็นเรื่องาสากลเพียงแต่ว่าในขณะนั้นรับสั่งกับใครก็ทรงเรียกคนเหล่านั้นเป็นสั ป, ปนามเรียกรวมๆถ้าว่าชาวๆบ้านฟังอยู่ก็ทรงแสดงว่าคนดีในโลกนี้ ย่องกล่าวแต่วาจาที่กล่าวดีแล้วเท่านั้นผล ป, ประเด็นตรงนี้ควรจับที่ไปที่มาให้ได้ไม่ใช่ว่าอุจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุไม่ได้เกี่ยวกับเราคือกรรมในมันเป็นกฎเป็นกฎสากลสุจริตก็สากลพุจริก็สากลเพียงแต่ว่าโดยภาวะของ คนในสังคมมีความแตกต่างกันโดยมาตรฐานแล้วมันก็แตกต่างกันอย่างยกตัวอย่างว่ามาตรฐานทางศีลเนี่ยญาติโยมก็กําหนดด้วยศีลห้าบอสุ 5, บอ ส, สิกาก็กําหนดด้วยศีลแปดแล้วก็สามันเดนก็กําหนดด้วยศีลสิบพมกานาก็กําหนดด้วยศีลห แต่ในรีก็กดดําห น, น, น, ด, ด, น, น, นดด้วยศีลสิบภิกษุนีภิกษุก็กําหนดด้วยศีลสองร้อยเจ็ดภิกษุณีก็กําหนดด้วยศีลสามรอยสิบเอ็ด่อพูดเฉพาะในพระปฏิโมกข์ก็ไม่กล่าวถึงนอกปฏิโมกข์เพระาะฉะนั้นในศีลเหล่านี้แหละ ก็ทาให้ยังหนึ่งคนหนึ่งทำเนี่ยไม่ผิดศีลแต่ถามว่าบาปไหมก็ตอบประบาป พ, พระบาปมันเป็นกฎสากลมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่ได้เกี่ยวกับใครอย่างยกตัวอย่างง่ายๆสุภปุถธธักุจฉิเป็นระยะบุคคลระดับโสดาบัน แล้วก็ท่านก็เป็นกฏทานแล้วก็เป็นลรคเรื้อนพระเจ้ากล่าวว่าในอดีตการนานไกลท่านเดินสวนทางกับพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าตักคารสิกีเวลีทางกับพระพระปัิเกพรพุทธเจ้าท่านก็ลี ไปทางด้านขวาคือด้านพระหัตถ์ขวาของพระพุทธเจ้าจึงก็หมายความว่าท่านให้พระปัจเจกพุทธเจ้าไปทางด้านซ้ายมือของท่านเป็นปการแสดงถึงการการขาดความคลุกและที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือทมน้ำลายเป็นมองแสดงอาการดูหมิ่น อันนี้เป็นเหตุให้ท่านกลายเป็นคนโรบเรือนถามเอาวิธีการเหล่านี้มันเป็นการผิดศีลหรือผิดธรรมเราก็บอกว่าผิดธรรมะพอเป็นธรรมะนี่มันเป็นกฎมันเป็นก ฎ, นนกฎสากลไม่ได้เจาะจงใครแต่เจาะจงว่าประพฤติอย่างไร ต, ตามสูตรที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นเรื่องของคนขนนันถ้าเขาทำดีเขาก็ได้ดีเข า, เขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วเพราะในกรณีของวาจาที่มีคนเ้ากล่าวดีแล้วเราก็กล่าวตามที่คนเ้ากล่าวดีแล้วก็เป็น ธรรมะทั่วๆไปแก่คนทั้งหลายในโลกไม่ได้โจโจงว่าต้องเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาหรือนับถือศาสนาอะไรคือธรรมะมันจะไม่เกี่ยวกับศาสนาเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าสังคมนักการศาสนาทั้งหลายมั น, มนไปยึดติดในเชิงรูปแบบเสียมากแทนที่จะเข้าถึงเนื้อหา ของธรรมะคือถ้าเรามาศึกษามาทำความเข้าใจเป็นวิชาหนึ่งตาหากเลยอาจจะทีริโกเทววิทยาหรือศาสนาวิทยามันก็ครอบคลุมหมดแหละเพราะในศาสนามันก็มีเทวะในเทวะมันก็มีศาสนาอยู่ เราก็ึกษาฮาหาความเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องปฏิบัติให้สัมผัสแล้วเราจะเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของธรรมะทั้งหลายในโลกมันมีความยิ่งความหย่อนในด้านสติปัญญาของาศาสดาแต่หนเน่งหรือาศาสดาทั้งก็มีปัญญายิ่งหย่อนกันตามธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายพอดีพระพุทธเจ้าเราคงทรงสัจทะรู้ มันจึงไม่ใช่ความรู้ธรรมดาเป็นความรู้ที่สมบูรณ์เรียกว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่ว่าเวลา ท, ทรงแสดงก็ทรงแสดงลดหลั่นกันไปก็ไม่ได้หยิบมาแสดงทั้งหมดหรอกมันก็ทานองคล้ายๆกับวิชาการที่ราสอนนักเรียนในชั้นเรียน เจินวิชาการนิาสตร์เนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยตั้งแต่อนุบาลนั่นแหละไปเรื่อยไปถึงปัญญาตรีโทเอกก็ยังมีวิชาเหล่านี้อยู่แต่ว่าความลึกซึ้งการสอนในรอบรู้แตกตางนั้นมีความยิ่งย่อนแตกต่างกันเท่า น, นั้นเด็กบรราจาที่กล่าวดีแล้วแต่ว่าขนาดสาธุชนทั่วไปเนี่ย เอาเพียงแต่ว่าพูดงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดสอสเสียดงดเว้นจากการพูดเพื่อเจอร์เรหลวไหลงดเว้นจากการกล่าวคำหยาบงดเว้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นวาจาที่กล่าวดีแล้วแต่มันก็มีนเมีะเพราะว่ามันใกล้ต่อทุจริตเยอะคนจะขยับไปอีกขั้นหนึ่งมันก็จะกลายเป็น กุศลกรรมบุรคือตกี้นี่มันมากลาเป็นเป็นกุศลกรรมบดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเดินไปจนถึงจุดหนึ่งจริงๆมันก็คือเราพูดคำสัตย์คำจริงตามที่เราได้เห็นมาได้ยินมาได้ทราบมาได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น พูดคำส่งเสริมสามาัคคีประสานสามาัคคีกระชับสามาัคคีพูดคําที่ไพเราะอ่อนหวานแล้วก็พูดคําที่มีสาระประโยชน์วาจาก็เป็นอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะว่ายังไงแหละพูดไปพูดมาก็เป็นอย่างเงี้ยไม่กล่าววาจาที่บุคคลกล่าวชั่วแล้วหมายความว่าคําทุกจริตทั้งหลายใครก็กล่าวก็ช่างเขาเถอะ นะอย่างมีข่าวคราวที่เกี่ยวกับตอนมีม็อบมีอะไรเนี่ยก็มีคนมาเล่าฟังบ่อยก็ไม่ใส่ใจเข้าหรอกําใดใครก่อคนนั้นกรับกํามกันไ ป, ไปเราก็ไม่ใส่ใจที่จะฟังด้วยเพราะอะไรเพราะจริงๆความคําพูดหรือการกระทําที่สแสดงออกซึ่งอารมณ์อารมณ์รักก็ดีอารมณ์ชังก็ดี อารมณ์ไม่เข้าใจเหตุผลก็ดีอารมณ์กลัวก็ดีมีเท็จบนอยู่เยอะนะเราต้องยอมรับความจริงเลยว่าเท็จบนยเยอะเยอะเยอะตัวอย่างอารมณ์โลภอยากได้อยีิโบราณท่านบอกว่าพ้อยคาของบุคคลสี่จำพวกที่ไม่ควรเชื่อถือทั้งหมดอสอนในรูปของการฟังหูไว้หู ไม่ปักใจเชื่อไปทั้งหมดนั้นคืออะไรคือพ่อค้าที่โฆษณาขายสินค้าเขาพูดด้วยความโลภอยากให้คนฟังนั้นซื้อของของเขาเพราะเขาก็บกปิดส่วนบกพร่ อ, องของสินค้าแล้วก็เสริมเติมในส่วนที่คิดว่าคนจะชอบเข้าไป คนซื้อไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบเองผู้หญิงผู้ชายพูดกับผู้หญิงโดยเด่นว่าก็พูดเพื่อตัวเองเพื่อจะได้ประโยชน์โดยวิธีใดเธอก็พูดอย่างนั้นแหละพูดที่เจรจาความเมืองกันไอ น, นี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเมียดละไม อย่างก็มีเขาพระวิหารเนี่ยคือตอนเขาอภิปรายก็ดีก่อนหน้านั้นก็ดีอภิปรายแล้วหลังจถวหลังจถวอภิปรายคือมีความรู้สึกเป็นห่วงว่าบ้นเมงเรามีปัญหาเยอะแล้วคือไม่น่าจะสร้างปัญหากันอีกมีคนกลุ่มหนึ่ง ที่กระพือโหมเรื่องเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์อะไรก็ตามแหละว่าแปลว่าเป็นอันตรายแก่ชาติคือมันไม่จะ ไ, ไปคุ้มอะเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านมานานเหลือเกิน mm hmm. แล้วเป็นอันยุติไปแล้วคนบ้านใกล้เดือนเคียงนี่ยังไงเราก็ย่างเมืองหนีไม่ได้หรอกเราก็ต้องอยู่กันชั่วการตลอดไป จนสิทธิชาติทิ่งแผ่นดินไปก็จะมีลูกหลานมาอยู่ในตรงนี้กันต่อไปผลการอยู่ด้วยความเป็นมิตรเป็นเรื่องดีที่สุดประนีประนอมการประสานประโยชน์กันคือเราเป็นคนรุ่นใหม่ในคราวพิพาทกันนั้นเป็นคนรุ่นเก่าแนนอนอามาเองเก็ทัน ก็เรียกว่าก็เป็นหนุ่มแล้วแหละกรณีของศูนห้านี่เราก็เป็นหนุ่มแล้วเราก็เป็นพระหลายพรนษาแล้วเป็นพระมาได้ตาไหลแปบพรรษาเจ็ดภรรษาแนละ้วแพรรษาก็มาอยู่กรุงเทพแล้วก็รู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆอยู่ดีติดตามอยู่ตลอด แต่พอเราพูดแล้วเราใช้อารมณ์แกอารมณ์อย่าลืมอ่าโทรทัศน์มันฟังได้หมดแล้วเด็ยเนี่ยฟังได้หมดเกือบสองร้อยประเทศทั่วโลกแล้วการที่เราพูดมันจึงไม่มีความลับเมื่อไม่มีความลับโอกาสที่จะเกิดปัญหามันก็มีได้ง่ายเรางการกล่าว เรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่ต้องระมตัตรวังถ้ามันมีปัญหาคือประเด็นสำคัญนของการกล่าววาจากก็ต้องมองไปที่ประโยชน์ประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นจากการกล่าววาจากเช่นนั้นมันต้องตั้งคำถามแล้วถามแล้วก็ตอบไปได้ว่ามันได้ประโยชน์อะไรการพูดเช่นนี้มันได้ประโยชน์อะไรการต่อไปก็กล่าววาจากที่เป็นธรรมเท่านั้น รมนั้นก็คือยุติโดยธรรมมันเป็นธรรมะก็งมันยุติด้วยธรรมอย่างหนึ่งก็คือธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นข้อมันอย่างนั้นแหละก็เราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายและจะว่าจะแก่ไม่มีใครจะหลีกหนีกฎเหล่านี้ไปได้ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ ในมีการล่วงอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นไปได้หรือว่าสังขารนึงหลายไม่เที่ยงสังขารนั้หลายต้เป็นทุกข์รมงเป็นหน้าตาเนี่ยมันเป็นความจริงตามธรรมชาติมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแลวปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างที่มันเป็นน่ะต่ทตาคือมันเป็นอย่างที่มันเป็น การต่อไปก็คือเป็นธรรมะที่มันเป็นกฎของความผิดพลาดเป็นอกุศลนะเป็นอกุศลโดยสภาพของมันเช่นการวิษยากัรก็ไม่ดีการโลภ ก, ก็ไม่ดีการเบียดเบียนก็ไม่ดีการหึงหวงก็ไม่ดีการดูถูกดูหมิ่นกันก็ไม่ดีการประทุษรากันก็ไม่ดีมันก็อย่างนั้นแหละเราพูดถึงธรรมะเราไม่ได้พูดถึงคน แต่ถ้าใครริษยาคนอื่นคนนั้นก็ไม่ดีเขาต้องรับผิดชอบผลของเขาเองถามว่าเรามีความจะเป็นต้องพูดไหมถ้ามันได้ประโยชน์มันก็พูดแต่ถ้าไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้จะพูดเป็นทำไมพระวจาที่เป็นหลักเนี่ยคือเรื่องนั้นจะต้องเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์คนฟังอาจจะชอบใจ หรืออาจไม่ชอบใจแต่มันดูที่กาลเทศะควรแก่การพูดแล้วแม่ก็กวรความก็จะอาจจะไม่ชอบใจก็พูดการอว่าดการแนะนำการสั่งสอนการตักเตือนเราก็ต้องทำอยู่ด้วยทั้งๆที่บางครั้งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าคนก็อาจจะไม่ชอบ จะมาสอนหนังสืออย่างเนี้คือเวรนี้ก็สอนปัญญาโทปัญญายเอกเนี่ยมันผู้ใหญ่อะนะผู้ใหญ่บางคนมันก็รุ่นน้องอายุก็ใกล้ใกันแต่เราก็ต้องพูดไปตามทุกคนแก่กันนี้่ในกรณีที่มีปัญหาเช่นว่าขาดเรียนมาสายอะไรแต่อะไรอย่างงี้หรือไม่สนใจไม่ตั้งใจทาํางานมอบหมายงานแล้วไม่ตั้งใจทำเนี่ยเราก็ต้องพูดอ่ะเขาอาจจะไม่พอใจแต่ไม่รู้จะทํำยังไง ก็เธอสมัครใจมาเรียนเนี่นะเราก็ทำหน้าที่ของเราเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปใน่านะเองไม่มีอะไรเป็นกับเป็นการส่วนตัวทั้งหมดมันเป็นเพื่อประโยชน์ของเขาประโยชน์ทางการศาึกษาเราสามารถฐานทางการศึกษาเอาไว้เป็นการพูดวาจาที่เป็นธรรมเนี่ยคือยุติด้วยธรรมเป็นธรรมแล้วก็เชี่ยงธรรม พูดไปตามธรรมนั่นแหละไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมแต่เราถึงไม่ยุติโดยธรรมนะคำว่าไม่เป็นธรรมเนะี่ยคือไม่ยุติโดยธรรมจึงเราพูดมินทาคนอื่นรับหลังพนนูดไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราต้องการจะพู ด, ดให้มันเกิดประโยชน์ก็คืออปมาเป็นนายกอนายขอป เ, อเพื่อต้องอาการเอาเนื้อหาสาระของเรื่องเนี่ย มาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเตือนในการอบรมสั่งสอนในการชี้แนะให้บุคคลเหล่านั้นได้หลักในการคิดปัญญาจจที่ไม่เป็นธรรมก็คือไม่พูดอันนี้เรียกว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตะลึงทอง ม, มันไม่เป็นธรรมอะพูดไปทำไมเออไม่ยุติธรรม ยังเมื่อปีที่แล้วสิไปที่คอนแก่นก็นั่งรถผ่านประตูเมืองที่มีพระพุทธรูปอยู่ข้างบนน่ะคนขับรถเขาก็ลาให้ฟังว่ามีคนต่างาศาสนาเดินขบวนประท้วง บอกว่าเขาไม่สามารถจะนั่งรถนี่ลอดประตูที่มีพระพุทธรูปวางอยู่ได้ขอให้ อ, ออกเินขบวนไปหาผู้ว่าบว่าเขาเก่งนะราะว่าบอกประตูนี้ก็มีมาก่อนมีมาก่อนที่พวกคุณจะมาอยู่ แล้วถ้าคุณไม่ต้องการจะลอดคุณก็หลบรถจะหน่อยเขาไม่ต้องรอดแล้วหลั่งจะดอนสาวพูดก็เห็นผิดเห็นภัยอะไรนะนี่คือเราจะเห็นว่ามันเรื่องพูดไปมันมันเกิดประโยชน์อะไรทำไมคุณจะต้องเดือดร้อนนะ่ะการขับรอดรถรอดอะไรนี่เรารอดเยอะเลยและรู้ได้ยังไงว่าไม่มีรถถูด ไม่มีสิ่งเคารพสักการะในศาสนาอีกพนพูดออกไปมันก็ขัดแย้งขัดแย้งแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วกล่าววาจาอันเป็นที่รักคำนั้นหมายความาตัววาจาเองเนี่ยคนฟังแล้วสบายหูสบายใจเขาเรียกปิยะวาจา วจาอันเป็นทิรักหมายความว่าจิตที่เราเปล่งวาจาเหล่านั้นออกไปก็ทําด้วยใจที่ ร, รักมงดีปรารถนาดีต่อคนที่เราพูดด้วยแล้วก็เราพูดถึงพูดด้วยนะตอนนั้นก็พูดด้วยวาจาใดที่ไม่เป็นทิรักนําไปสู่ความแตกแยกนําไปสู่ความขัดแยง้งนําไปสู่ความรุนแรงก็ไม่กล่าววาจาที่มีลักษณะยอย่างนั้น แล้วกล่าวว่าจะที่จริงจริงก็ไดยจริงตามภาษาสัมผัสนคือจริงอาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่เราได้ยินมาอย่างนั้นจริงจริงเราเห็นมาอย่างนั้นจริงจริงเราได้ทราบมาอย่างนั้นจริงจริงเราได้รู้มาอย่างนั้นจริงจริงแต่ถามว่าจริงหรือเปล่าเราไม่รู้แหละเราก็ตอบได้เท่านั้นเนี่ ตอบได้ได้เท่าที่เราสัมผัสมาเท่านั้นเองเพราะเร่นั้นอาจจะไม่จริงก็ได้ฉันสมมติว่าเราเห็นน้ําแข็งลอยน้ํามาเนี่ยเราบอกว่าเห็นน้ําแข็งก้อนใหญ่ลอยมาเราก็พูดแค่ใหญ่นะใหญ่ขนาดไหนนี่เราไม่รู้เพราะมันอยู่ใต้น้ําด้วยที่เราเห็นเนี่ยรู้สึกมันใหญ่ แต่าำว่าใหญ่เท่าไรเราไม่ได้วัดอะเราจะไปรู้ได้ไงมันใหญ่เท่าไหรเพียงแต่ว่ามันใหญ่ก้นกันทีนี้ไอ้คำว่าใหญ่เนี่ยที่จริงมันก็มันไม่มีกรอบจํากัดหรอกว่าต้องใหญ่ขนาดนั้นขนาดนี้จึงเรียกว่าใหญ่ใหญ่ก็คือใหญ่อ่ะใหญ่เท่ากัาปั้นมันก็ใหญ่เพราะว่าที่เล็กกว่าปั้นมันก็เล็กกว่า ตามปกติเราก็พูดโตพอสมควรยิงเรียกว่าใหญ่แต่ถ้าจะเอ า, าจริงแท้หรือเปล่ายืนยันได้หรือเปล่านี่มันก็ยืนยันยากว่ากว้างเท่าไรยาวเท่าไร่อย่างเงี้ยไม่ได้วัดเราพูดแค่น้ําแข็งลอยน้ำํำเฉยๆเราไม่พูดถึงการพิสูจน์อะไรและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่า ว่าจานนั้นจะต้องเป็นสัมผัสตรงของเราพูดตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ทราบด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายแล้วก็รู้ด้วยใจที่ี่การรู้ด้วยใจเนี่ยมันเป็นจินตนาการ เ, าเร็วเป็นจินตกะวีเป็นปฏิภาณกะวีเป็นบวหารกะวีเป็นสุตตะกวี เราไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นจินตะกเวียตกวีก็คิดก็เห็นอย่างนี้นอย่างเยกตัวอย่างโครงในะนีราชนะั่นเองเมื่อก่อนเราก็คล้อยตามนะเราเป็นเด็กๆ เ, เราอ่านเราก็คล้อยตามมันรู้สึกว่าเพลาะแต่พอเราตโตคิดมาเราเออมันก็เท็จอ่ะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ โมควรจากฝากฟ้าหรือดินดีหรือพูดถึงพัญยาตัวเองที่ตัวเองจะต้องจากไปแต่ปัญหาว่าจะให้พัญยานี่อยู่ที่ไหนอยู่กับใครประรบขึ้นมาใหญ่โตโมควรจากฝากฟ้าหรือดินดีหรือฝากฟ้าหรือวาดินดีฝากฟ้าแล้วเกรงเทพท้ายทรณินลอกกรรมกลัว เทวดาจะประยุกีติขวากลมเลื่อนโฉมบินบนลาวหนาแม่ควากลมละ่ะลมจะเชยให้ช้าชอกเนื้อเรียมสงวนกูลมจะกระทบ อ, อีกมันไม่มีคนอย่างนั้นในโลกนี้่เปราะบางขนาดนั้นน่ะมันนี้มีคนที่เปราะบางขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความคิดของกวีนี่ก็จริง <c oughs> กวีก็เห็นอย่างนั้นจริง นี้ก็เรียกว่าจินตะกระวรเราก็เชื่อตามที่ตะกเวราเขาขเขียนมาแล้วเราก็เล่าไปอย่างนี้นะเวลาเรากล่าบคำโครงบทนี้เราก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าย้ายผิดก็แล้วกันตอนนี้เรียกว่าพูดตามที่ได้ยินมาแต่เราได้ยินมาเนี่ย ไอ้ที่มาของสิ่ง <S. <S ที่เราได้ยินเนี่ยคือมันคิดและมันเขียนเขาคิดคเขาเข้าอย่างนั้นก็เขียนไว้อย่างนั้นน่ยเราอ่านอย่างนั้นเราได้ยินมาอย่างนั้นเราได้เห็นมาอย่างนั้นได้ยินมาอย่างนั้นหมายความว่าเราสัมผัสด้วยประสาทส่วนไหนก็ไม่รู้แหละแต่สรุปว่าเรารับรู้มาอย่างนั้นจริงๆเราก็ว่าไปอย่างนั้นได้บาารรพชาในสี่ลักษณะเล่านี้ เราจะเห็นว่ามันก็คือว่าจีสุจริตต้องวามเคยสังเกตไหมว่าว่าจีสุจริตสี่ประการที่เราคุ้นมากเรียนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมมาเรื่อยเลยเรียนมาตลอดแต่พระก็เรียนนะฮะแต่พระก็เรนบวชมาไม่กี่วันก็เรียนแล้วแต่ผู้ก็พูดเตอนนะเรายังมีวาจาเรายังมีปัญหาที่เรียกว่าจีสุจริตอยู่เยอะ แต่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคือความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นบาปมันยังมีไม่มากพอภายในจิตใจของคนบางคนจึงพูดเทศแต่ง่ายแล้วก็ยุโยงนี่รู้สึกว่าชัดจะมากเลยเกิด มันก็มีดีไปอย่างหนึง่งคือเวเนียมาไม่อ่านนั่นสิผิงไม่อ่านมาตั้งแต่สี่เก้าอะนะฮะแต่ว่าที่จริงไม่ค่อยอ่านมากตังก้งแต่ในเทต่มานั่นสิผิงคือเรารู้สึกว่าวที่จริงมันก็เป็นอาชีพชนิดหนึ่งท่านเด็คนเหล่านี้ไม่ได้รอบรู้เก่งกาสามารถอะไรมากมายที่เราจะต้องไปติดตามอ่าน ความคิดความเห็นของเขาเขาก็คิดเขาก็เห็นเขาก็เข้าใจเขาก็พูดเขาก็ได้สตางค์บางคนบางคนนี่แหมไปคว้านซื้อหนังสือพิมพ์มาเปปึง้งเลยกองกันไม่รู้กี่เล่มฉบับแล้วก็ไม่ได้อ่านจังกิโลขายเป็นความสูญเปล่าคือเราไม่มีทางที่ไปอ่านหนังสือพิมพ์ได้หมดทั้งฉบับแต่เกไปอ่านหมดทั้งฉบับเราก็เสียเวลา ในการทํางานอย่างอื่นซึ่งมันเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องมีความหนักแน่นมากกว่านั้นเพรนั่นเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราจะมีเจอทั้งเทชรทั้งโสเสียทั้งหยาบแล้วก็ทั้งเห ล, ไหลวไรก็าอาจจะไม่มีครบทั้งสอย่าง แต่จะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องนี้เราสืบสาวไปไม่ถึงเราไม่ได้มีความรอบรู้มากพอที่จะวินิจฉัยว่าเรื่องเหล่านี้ถูกหรือผิดท่านั้นเองแล้วไปจากนั้นก็รับสั่งว่าพิสูจนทั้งหลายว่าจะอันประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้แล เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุกภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและเป็นวาจาอันมียุชนทั้งหลายไม่ตีเตียนก็อะไรครองในสนะเร า, ธาเทธเ่นเราสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเธอทั้งหลายจะต้องพูดอย่างนี้จะต้องพูดอย่างนี้นแต่ก็ทรงแสดงถึงวาจาคือตัวธรรมะ ตัวธรรมะที่มันมีประโยชน์ที่เป็นสุภาษิตไม่ใช่เป็นทุพสิทิ์เป็นวาจาที่เป็นคุณไม่เป็นโทษเป็นวาจาที่วินญชนยกกล้องสรรเสริญถ้าเราพอใจละ่ะพอใจก็พูดวาจาในลักษณะนั้นไม่สมัครใจจะพูดละ่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบเองแหละ คนอื่นไปรับไิชอบแทนไม่ได้และจากนั้นก็รับสั่งเป็นวยากรพาภิทิ์ว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายได้กล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นที่หนึ่งสัตว์บุรุษก็คือคนดีเมื่อก่อนไปดูโการอะไรเขาที่เขาแข่งเป็นทีมทีมสยามนะฮะ เขาถามเรื่องศัพท์ไปเลยแปลว่าไป็ผีดีหรือคนดีก็ไม่เคยคิดนะแต่เราก็ดูคำแล้วเราก็คิดว่ามันมาจากศัพท์บุรุษเพราะว่าค่อนข้างจะค้องเสียงกับคำศัตว์บุรุษรปรากฏว่าตอนคนเฉลยก็ถูกก็แปลว่าคนดี แต่ทีนี้ถ้าอ่านสะกดตัวตอเนี่ยต้องอ่านว่าสัตบุรุษนะฮะไม่ใช่สัตตะบุรุษถ้าสัตตะบุรุษนี่แปลว่าคนร้อยคนแต่ไม่ใช่คนเจ็ดคนนะฮะคนเจ็ดคนแต่ถ้าสัตบุรุษเนี่ยหมายถึงผู้สงบแต่ทีนี้ถ้าเราอ่านว่าสตะสตะนี่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าสตตะมันจะเป็นร้อย สตังนี่คือร้อยหนึ่งสัตตานี่ก็คือเจ็คือเจ็ดก็คือคือสงบนะคือสงบสตัตตะนี่คือเจ็ดแล้วก็สัตว์บุรุษเนี่ยสัตเฉยๆเนี่ยก็คือผู้สงบง เ, เพียง น, นิดเดียวเพียงแค่นิดเดียวถึงบางครังบาข่าวก็ต้องรับมาตรวจสอบเยอะเพราะว่าตีความได้รีญานึงได้คนเข้าคนฟังเนี่ยจะเข้าใจปีญานี้ พ้นสัตบุตรดิเปร่พูทสงบจันโตปุริโสสัปปุริโสสงบจากอะไรสงบจากบาปสงบจากกุศลสงบจากความรุนแรงทั้งหลายภาพชัดเนี่ยคือสัตบุุษสงบจากโลภะราคะโทสะโมหะหมดไหมมันไม่ถึงกับหมดหรอกบางทีไม่ถึงกับหมดหรอกเพราะว่าสุดยอดของสัตบุตก็คือพระพุทธเจ้า พระหันทั้งหลายพระปฏิเอกับพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยลดลั่นกันลงไหมเพราะนั้นถ้าเราสงบกิเลสสัก 5% สัก 10% บเอร์เซนตอรต์มากเอาสัก 5% ้กกก5็ก่อนแล้วพยายามขยับเป็น6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น10มันจนสามารถสงบที่การกระทำสงบที่การพูดไปด้วยอำนาจกิเลส จนถึงสงบจากความคิดที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสได้าทาได้อย่างนี้ความเป็นสัตว์บุตษก็เพิ่มผูดมากึ่งขึ้นลองสังเกตว่าสัต์บุตรเรียกว่าศัพทิสธรรมเ็ประการเนี่ยจริงมันเป็นบัญญาติล้วนๆความเป็นผู้รู้จักเหตุความเป็นผู้รู้จักผลความเป็นผู้รู้จักตนความเป็นผู้รู้จักประมาณความเป็นผู้รู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคล รู้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วเข้าใจเด็กนนี้แล้วเนี่ยหมายความว่าสัตว์ปรุษเป็นการทำด้วยความรู้เป็นการพูดด้วยความรู้เป็นการคิดด้วยความรู้และธรรมะที่เป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของสัตว์ประหลุตจะเรียกสัตยธรรมเจ็ประการ มีศรัทธามีศีลมีบริมีอตตปะมีพุสจจัมีวิริยะมีสติมีปัญญาก็เป็นเรื่องของธรรมะปฏิบัติที่รสรุปไว้ง่ายก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเม่กล่าวว่าจ่าสุภาษิตว่าเป็นที่หนึ่งสุภาษิตเนี่ยสุในแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่าย ภาษิตนี่ก็คือพูดดีพูดงามแล้วก็ง่ายถามว่าง่ายสมับใครล่ะง่ายสมับคนดีความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากเพาควาว่าง่ายมันจึงหมายเอาเฉพาะคนดีที่เขาจะพูดสุดจะดีคนไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องยากสมัคคนไม่ดีแล้วนั่น สุจริตมันถึงรวมหมดว่าคําพูดทั้งหลายเนี่ยคําพูดทั้งหลายที่จริงมันก็คือสุจริถ้าพูดเป็นดีนะพูดด้านดีแหละคือสุจริพูดด้วยแรงกุศลทั้งหลายเนี่ยจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็เยอะคือบางทีก็เรียกพูดตะวัตีอัท ธ, ธวธัตีธรรมวัตีเมตตาวัถท ะ, ะอะไรต่างะไรต่ยก็อยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แต่ที่จริงแล้วมันตัวสัจจะวาจาเนี่ยคือเรื่องเรื่องสําคัญ แต่ว่าบทจะสื่อสารเนี่ยเขาจะมองที่ประโยชน์ด้วยนะฮะคือสัจจะด้วยธรรมะด้วยแล้วก็ประโยชน์ด้วยมองประโยชน์เป็นเรื่องใหญ่เราสูญเสียเวลาเพราะเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ที่เยอตอนนี้มีมีเรื่องที่ด้าัะเกตก็รู้สึกชื่นชมญาติโยมหน่อนนั่นนะฮะปรากฏว่าท่านเป็นแฟนฟังรายการธรรมะเนี่ย ก็พบบ่อยเวลานี้เจอแล้วเขาก็บอกอกฟังท่านทุกขื่ไปวัดไปวาไปเจอพระเจอเนนเขาก็บอกเออแสดงรายการนี้มีคนฟังอยู่เยอะมีคนส่วนหนึ่งเอาเทปเขาเรียกว่าอะไรเอ็มพีสามญาโดมก็ทำไวก้ก็หลายร้อยชุดเลยนะเผยแพร่อ ย, อยู่ที่มูนิธี้มังกรราตยีลายตอนนี้ไม่ทราบหมดได้อยัง เดี๋ยวนี้เขากำลังทําเป็นอะไรดีวีนะดีญาโยมทําเป็นวีดีดีดีวีดีม้วนหนึ่งมันบรรจุ ต, ต, นะตั้งเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าสูตรนะฮะเจ็ดสิบกว่าสูตรเพิเจ็ดมัวนเนี่ยล่อกข้ไปหกพันอกหกร้อยกว่าสูตรหกร้อยกว่าสูตรญาโยมที่เขาติดที่เขาแสวงหาเนี่ย ก็ก็มาหลายชุดนะหลายหลายคนมาเพื่อจะหาไม่ใช่เพื่อจะขอหรอกมาเพื่อจะหาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขามีหรือเปล่าน้าน่าวัดแต่ ท, ที่ที่กุฏินี่มีคือโยมก็มาให้ไว้ก็แจกเข้าไปแจกเขาไปบางทีเขาก็ขอไปเป็นอันเดียเก็บอกว่าขอขอไปอะไรอะอัดต่อไล่ต่ออะไรนี่ย เดีย๋ยวนี้ก็เออคนคนมีฐานะนะคนมีฐานะมีท่าทางปุกลิกลักษณะฐานะนาานะก็ดีแต่ว่าเขาเป็นสุขด้วยการได้ฟังธรรมะทุกคืนอันนี้คือสิ่งที่ที่รู้สึกอนุโมทนาชื่นชมกับโยบุอะไรเพราะว่าสูตรเป็นเรื่องของความจริงแล้วท่านฟุกฟังก็จะพบมันเจอซ้ำ ทำไมซ้ำละ่ะก็ซ้ำอ่ะเพราะธรรมก็คือหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการนั่นแหละยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปแตกต่างกันไปโดยปริยายคือนัยยะต่างๆพิสดารบ้างโดยย่อบ้างกลางกลางบ้างก็แล้วแต่ก็สําคัญว่าจับหลักให้ได้ จะหลักแล้วก็นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติได้ก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมะแบบนั้นเพราะ ญ, ญาติโยมที่เขามีศรัทธาเขาก็เสียสละจะถูกปัจปจัยส่วนตัวนะฮะมาทำเผยธรรมเผยแพร่ก็ดีช่วยกันเผยแพร่ธรรมะ เพราะว่าเอกสารเข้าไปเนี่ยมันพูดยากเอกสารทั่วไปมันพูดยากแต่ว่าเอกสารทางวิชาการส่วนใหญ่ก็ดีนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะมีเวลาอ่านมากน้อยแค่ไหนเพียงใดแล้วมันเกี่ยวข้องกับวิธีชีวิตของเราอย่างไงแต่ธรรมะมันเป็นเรื่องชีวิตวิชาการเหล่านั้นก็เหมือนกันคือถ้าเรา หาประโยชน์จากมันได้คือคิดเป็นเราก็ได้ประโยชน์นะคือหนังสือวิชาการมันก็เป็นธรรมะ ต, ตัวนี้ก็เป็นกรรมการเป็นประธานส่วนวิทยานุพัน์อยู่บ่อยแล้วก็เจอเออก็เขาเก่งเนี่ยก็เขียนเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นธรรมะเพียงแต่ว่าผูเรียบเรียงเอง ผู้จัดําเองนี่เข้าใจเ่าเป็นธรรมะหรือเปล่าแต่เรามองจากพระสูตรเราก็เห็นว่าเป็นธรรมะพระสัทว์บูรุษทั้งหลายท่านก็ชื่นชมในสัจธรรมะแล้วก็เป็นอัธาอัธาคือเป็นประโยชน์นั้นเป็นเรื่องใหญ่คือประโยชน์มันเป็นเป้าหมายที่ต้องการจริงๆเราก็มีการกล่าวถึง อ, าาอัถายตสุขะ อตาก็คืออัฏฐาก็คือเป็นประโยชน์อิตาก็คือพิสูจน์การเกื้กูลแล้วก็สุขาก็เราได้รับความสุขจากการประพฤติปฏิบัติไปตามหลักเรานั้นสุภาษิตสูตรเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยาวเพราะว่าในโอกาสต่อไปนี่พระบังคีสยาขอกราวเป็นรูปฉันทั์ แล้วก็พระตถาจารย์ท่านได้อธิบายค่อนข้างพิสดารแต่มันเป็นวิถีชีวิตในแต่ละวันของคนเราอนการทำความเข้าใจการศึกษาให้วิจิตพิสดารออกไปตามโครงสร้างที่ท่านแสดงเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต้องฟังตลอด เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาพินทันิกที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี